คลิกมุมมองนิดเดียวฉันก็รู้สึกเป็นจริงเป็นจังว่าที่กำลังอยู่บนเตียงนี้ไม่ใช่ร่างกายของฉันแต่เป็นอิริยาบถนอนนับแต่หัวจะรถเท้าถ้าหากไม่ฝึกอบรมไว้ก่อนจะมาเริ่มเอาตอนเป็นไข้อย่างไรก็คงไม่ทันการอิริยาบถนอนคือความปรากฏของกาย เท่าที่สามารถรับรู้ได้ขณะเหยียดร่างบนเตียงถ้ารู้หัวหลังขาได้ตลอดก็ดีแต่ถ้ารู้แค่หัวกับหลังก็นับว่าใช้ได้ปกติอิรยาบทนอนจะเป็นที่อาศัยของความรู้สึกว่าเป็นเราต่อเมื่อฝึกนอนด้วยการมีสติรู้ลมหายใจเข้าออก เห็นลมหายใจเข้าออกเป็นของเกิดดับบ่อยเข้าก็จะค่อยๆละลายความเห็นผิดๆลงทีละน้อยกระทั่งอิริยาบถนอนปรากฏเป็นเพียงเครื่องสูบลมเข้าเครื่องพ่นลมออกที่ปราศจากความทึบตันยิ่งโปร่งเบาและมีสติรู้ได้มากเท่าไหร่อัตตายิ่งบางลงเท่านั้น ลมหายใจเข้าต่อมาเมื่อรู้สึกถึงความเย็นของลมแล้วตามด้วยความรู้สึกร้อนแสลงตลอดช่วงอกฉันก็ทำใจรับรู้ตามสภาพว่าที่ร้อนนั้นเป็นความร้อนภายในอิริยาบถนอนอิริยาบถนอนเป็นผู้ร้อนไม่ใช่ฉันเป็นผู้ร้อนเออมันช่างต่างกันดีเหลือเกินจริงๆ พอสติรู้ชัดว่าอิริยาบถนอนเป็นผู้อมความร้อนจิตก็ข่ายความร้อนรนกระวนกระวายทิ้งครั้งต่อครั้งนาทีต่อนาทีจนในที่สุดจิตเกิดสภาพผ่อนพักเกือบเต็มที่คล้ายหลับสนิทแต่ในความหลับนั้นจิตเฝ้ารู้อยู่ว่ากำลังดูอิริยาบถนอนที่อมความร้อนไว้ และจิตไม่เดือดร้อนกับสภาพร้อนของอิรยาบทนั้นเลยธรรมดาคนเป็นไข้จะไม่ค่อยมีแรงคิดเรื่องจิตปาถะนอกตัวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อจิตได้ที่จับดีๆความคิดก็หลีกทางให้สติเองสำคัญคือตอนต้นทำอย่างไรจะได้ที่จับให้จิตมั่นคงหน่อยเท่านั้น อุปสรรคณะจุดเริ่มต้นที่เอาชนะยากมีหลายประการฉันสังเกตว่าการพลิกตัวแต่ละครั้งเป็นที่มาสาคัญของความเผลอสติเพราะการได้เปลี่ยนท่าจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขทางกายขณะวางกายในท่าใหม่จะเกิดความหลงสุขชั่วครู่ทำให้มีความเป็นเรานอนอย่างสุขสบายชั่วขณะหนึ่ง ก่อนจะแปลเป็นความรู้สึกร้อนกายหรือปวดหัวในท่านั้นๆความปวดหัวจะทำให้เป็นทุกข์เหมือนแรงเสียดทานสติไม่ให้สติดําเนินผ่านไปได้ง่ายนักเพียงนิ่งในท่าใหม่ครู่เดียวก็จะมีความเป็นเราปวดหัวขึ้นมาแทนเราสบายซะแล้วหากสติรู้ลมหายใจหรืออิริยาบถนอนตามมาไม่ทัน หรือสติใหญ่ไม่พอจะเอาชนะความรู้สึกว่าเราปวดหัวตัวร้อนถ้านอนใหม่ก็จะเอาสติของเราไปกินหมดความเพียรรู้ในทุกการเคลื่อนไหวจึงมีบทบาทสำคัญฉันพบว่าการนอนตะแคงจะทำให้หายใจติดขัดไม่ลากยาวได้เหมือนอย่างนอนงายดังนั้น จึงจับจุดได้อย่างหนึ่งคือเมื่อนอนตะแคงควรเน้นสติรู้อิริยาบถมากกว่าสติรู้ลมหายใจแต่เมื่อนอนงายก็ควรเน้นสติรู้ลมหายใจมากกว่าอิริยาบถส่วนถ้าหากความร้อนหรือความปวดหัวกำเริบ ก, ก็มองว่าเป็นอิริยาบถนอนร้อนอิริยาบถนอนปวดเท่านั้นไม่ใช่ชั้นร้อน ไม่ใช่ชั้นปวดสลับไปสลับมาตามถนัดในแต่ละขณะระหว่างสติรู้ลมหายใจกับสติรู้อิริยาบถกระทั่งสติขาดหายไปเพราะถูกพิษไข้บีบให้เพลียหลับแต่ขณะหลับยังเหมือนมีความนิ่งรู้ความร้อนในอิริยาบถอยู่รางๆงคล้ายหลับก็ไม่ใช่ตื่นก็ไม่เชิง ตื่นขึ้นมาอีกรอบฉันยังไม่สมหวังเพราะอาการปวดทุเลาไปเพียงนิดเดียวแต่ความร้อนยังรุมกายฉันลุกมาเข้าห้องน้ำแล้วกลับมานั่งที่เตียงคิดในใจว่าคงไม่สำเร็จกระมังสติยังไม่แข็งแรงจนเอาชนะพิษไข้ได้แต่พอนั่งเฉยเฉยไม่กำหนดอะไรราวห้านาทีพอชำระลืงจิตกลับมารู้กายใหม่ ก็พบด้วยความประหลาดใจว่าความร้อนลดลงเนื้อตัวสบายขึ้นแต่ยังมีมึนๆและปวดหัวข้างเดียวเป็นระยะกับทั้งอ่อนเพลียอีกครั้งจึงล้มตัวลงนอนพอนอนจังหวะแรกๆยังปวดหัวแต่เทียบเคียงกับครั้งเมื่อก่อนตื่นแล้วเห็นท่าว่าน่าจะเบาบางกว่ากันเยอะเห็นเช่นนั้น ก็ชักมีกําลังใจกําหนดสติต่อเริ่มต้นด้วยการรู้ลมหายใจออกเห็นความร้อนในแต่ละช่วงไม่เสมอกันช่วงหนึ่งหนึ่งอาจหมายถึงสองสามนาทีฉันไม่ได้แกล้งนึกให้มันร้อนมากขึ้นหรือน้อยลงไม่แม้แต่กําหนดให้ลมระบายออกยาวหรือสั้นแต่ก็เห็นเช่นนั้นด้วยความเพียรอดทนสังเกตในระยะยาว ถ้ามีอาการปวดหัวหรือตัวร้อนระดับทรมานก็เปลี่ยนไปกำหนดว่าอิริยาบถเป็นผู้ปวดอิริยาบถเป็นผู้ร้อนรอบนี้ทำให้เกิดความเห็นที่รอบก่อนไม่เห็นคือสติรู้ตามจริงนั่นเองเป็นตัวแปร ى, เป็นปัจจัยให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายในร่างได้กล่าวคือถ้าขาดสติ ปล่อยจิตปล่อยใจให้ระทมทุกข์ไปกับความร้อนหรือความปวดก็จะมีส่วนช่วยบีบคั้นอาการทางกายให้หนักอยู่อย่างนั้นหรือกระทั่งหนักยิ่งกว่าเดิมแต่ถ้าจิตอยู่ในดุลที่จะรู้พอดีพอดีตามที่ทุกภาวะปรากฏอยู่จริงก็ไม่มีอะไรมาบีบคั้นกายให้หนักไปกว่าเดิมน่าจะเปิดโอกาสให้กายซ่อมแซมตัวเอง ตามกลไกธรรมชาติสะดวกขึ้นหรือมีความเยือกเย็นจากจิตนั่นเองมาช่วยให้กายสบายเร็วผิดปกติหากอธิบายตามหลักการแพทย์ก็ต้องบอกว่ามีสารที่เป็นประโยชน์เช่นเอ็นโดฟินหลังออกมาขณะจิตใจสงบสุขเป็นสมาธิสำคัญคือขณะเป็นไข้นั้น คนทั่วไปไม่อาจสงบจิตสงบใจเป็นสมาธิได้ไหวนีย่อมถือว่านักปฏิบัติธรรมภาวนาสติปัฏฐานสี่ได้เปรียบยิ่งเพราะฐานสติที่แกร่งแล้วพอควรจะมีส่วนช่วยให้จิตสงบเป็นสมาธิง่ายขึ้นสองชั่วโมงต่อมาฉันตื่นนอนขึ้นอีกครั้ง ความรู้สึกแรกคือความนิ่งสบายใจทางจิตความรู้สึกต่อมาคืออาการของกายเบาลงกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นหัวที่ปวดหรือตัวที่ร้อนฉันขยับลุกขึ้นยืนอย่างลุ้นว่าผลเป็นอย่างไรก็ยิ้มออกไข้ลดลงแล้วจริงๆรู้สึกได้เลยว่าไม่ใช่อุปาทานเดี๋ยวฉันทานข้าวแล้วกินยาอีกที น่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจนไปทำงานได้ในวันพรุ่งนี้แล้วและคิดในใจว่าไม่เป็นไรถ้าปวดหัวตัวร้อนอีกก็เจริญสติให้จิตเข้าไปอยู่ในสภาพผู้รู้ผู้เยือกเย็นรับทราบปรากฏการเป็นไข้ตามจริงอีกที่จริงก็ได้ความรู้ได้ปัญญาได้ความไม่ประมาทในกายอันเป็นอนัตตานี้ดีเหมือนกัน